สัมปยุตตะปัจจัย433สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยสัมปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาโดยสัมปยุตตะปัจจัยขันธ์สเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยสัมปยุตตะปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยสัมปยุตตะปัจจัย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 ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตะปัจจัย434สภาวธรรมที่เ <Jub> ป <ilee> <use. S 1> ็น <Look> ก <at words> ุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่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 เป็นปัจจัยแป่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปูเรชาตะและปัจชาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะภิริยาเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจใจัยในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่เป็นอพยกตะวิบากเป็นปัจจัยแก่กตะตตารูปโดยวิปยุตตะปัจจัยขันธ์ที่เป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยวิปยุตตะปัจจัยหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตะปัจจัยปูเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักหุวิญญาณโดยวิปยุตตะปัจจัยโสตายาตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณโดยวิปยุตตะปัจจัยคานายาตนะ เป็นปัจจัยแก่ขานะวิญญาณโดยวิปยุตตะปัจจัยชิวหายาตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณโดยวิปยุตตะปัจจัยกายายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกิริยาโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นอพยกตะวิบาก และที่เป็นอพยากตะภิริยาเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยวิปยุตตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาทะเยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยวิปยุตตะปัจจัย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 สหชาตะได้แกข่ขันที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจ er, ัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยกฤตโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูป โดยอธิปัจใจขันธ์สเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจ <Columbus> ิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิโดยอธิปัจใจมีหอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะ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 เป็นปัจจัยแก่ขันสามและกระตาตารูปโดยอัติปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและกระตาตารูปโดยอัติปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกระตตารูปโดยอธิปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยอธิปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอธิปัจจัย มหาภูตรูปสาเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปและกขจตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยอธิปัจจัยละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาจารยัตศตะพรม มหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจ h, ัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอัติปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอัต <Yeah. S 2> ิปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอัติปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ขตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยอัติปัจจัยปุเรชาตะได้แก่พระอรหันต์เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะหาทัยยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแกจักขุวิญญาณโดยอธิปัจจัยสัตทายตนะผลทพายตนะเป็นปัจจัยแกกายวิญญาณโดยอธิปัจจัย จักขายัตนะเป็นปจัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยอธิปัจจัยโสตายัตนะเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณคานายัตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณชิวหายัตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณกายายัตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยหาทัยวัตถุเป็นปจัปนปจจัยแก่ขั น, นที่เป็นอพยกะตะวิบากและที่เป็นอพยกตะกริย า, าโดยอธิปัจัย ปัจฉาชาตะได้แก่คันที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะกริยาเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยเกาวลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปปัจฉิตจินทรเป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่ พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะขานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะพาทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิปจักผุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุพาทยวตถุเป็นปัจจัยเกิดขันธ์ที่เป็นกุศลโดยอธิปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิ ป, ปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกจิจฉาจึงเกิดขึ้นอุถัจจะจึงเกิดขึ้นโทมาัะจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินโสตะคานะชิวหากรายรูป เสียงกลิ่นรสโผฏฐะภารไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นโทมณ์จึงเกิดขึ้นภารยทยวัถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอกุศลโดยอัติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพญากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ ขันหนึที่เป็นกุศลและหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองและหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิโดยอธิปัจใจมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นกุศลและมหาภูรตรูป เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลและเกวริงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลและรูปปัจฉิวตินสีเป็นปัจจัยแก่กระตัตารูปโดยอัติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอัติปัจจัยมีสองอย่าง คือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสามและหาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอธิปัจจัยขันสองและหาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัยยากรตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอธิปั จ, จัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลและประเวณีปราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปั จ, จัยปัจฉาชาตะได้แก่ ขันที่เป็นอกุศลและรูปปัจจิวตินสีเป็นปัจจัยแก่กตัตารูปโดยอัิปัจจัยนัตถิปัจจัย436สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนัตถิปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยนัตถิปัจจัยย่อพึงขยาห้พิารเหมือนอนันตระปัจจัย วิคตะปัจจัย437สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยวิคตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยวิคตะปัจจัยย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนอนันตระปัจัจอวิคตาปัจัย438 <mister ius> สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลโดยอวิคขะตาปัจจัยได้แก่ขันหนึ <sm art> <S <s ่ง <academy> ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอวิคตะปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอวิคตะปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอวิคตะปัจจัยย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนอธิปัจจัยวิพังแห่งปัญหาวาระจบ 1>, 1. ปัจจญานุลมสองสังขยาวาระสุทไนัย439เหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปั จ, จัจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระ อนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมี13าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอสิวะนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจวาระชานะปัจจัยมีเจวาระมัคคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระวิปยุตตปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยมี13วาระนาฏิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจวาระอวิคตะปัจจัยมี13วาระ เภทุสภาค้างในส้อยสี่สิบอธิปฏิปัจจัยกับเภตุปัจใจมีสี่วาระสหชาตปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจใจมีสี่วาระมัคคปัจใจมีสี่วาระสัมนยุตตปัจจัยกับเภตุปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระเหตุสามัญญระตนา441ปัจจัยห้าคือเหตุสหชาตะนิสยะอถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยหกคือเหตุสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะอถิ และอวิคตะมีสามวาระปัจใจเจ็ดคือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคือเหตุสหชาตะนิสยะวิปยุตตะอัทิและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสีปัจใจหกคือเห ต, จจตจจุสหาชาตาาะนิสยะ วิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจคือเหตุสหชาตะอริยมญญะนิสยะวิปากะอัตถิอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอริยมญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7ดคือเหตุ สหาชาตะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยแปดคือเหตุสหาชาตะานญยมัญญะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสอินทรียะมรครักขะขะตะนาสี่้อยสี่สองปัจจัยเจดคือ เหตุสหชาตะนิจยะอินทรียะมัคคะอัตติและอวิคตะมีสวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะอินทริยะมัคคะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจใจเก้าคือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะ อธิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะนิจยะอินทริยะมรรคะวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระอวิปกะ4ปัจจัย8คือเหตุสหชาตะนิจยะวิปกะอินทริยะมรรคะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจเจก้าคือเหตุชหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจเจศิกคือเหตุชหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจเจก้าวคือเหตุ สหชาตะนิสยะวิปากะอินทรียะมาคาัคคะวิปยุตตะอัติและอวิขตะมีหนึ่งวาระประจัจเจศคือเหตุสหชาตะานญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะมาคาัคคะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้า สธิติอินทริยะมัคคัตานาสี่สสาปัจจัย8คือเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะอินทริยะมัคคะอธิและอวิคตะมีสี่วาระปัจจัยสิบคือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะ มีสองวาระปัจจัย9้าคือเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะอินทริยะมัคคะวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระอวิปากะสปัจจัย9คือเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคค ะ, ะอถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยสิบอดคือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญามัญญะอนิสยะวิปากะอินทริยะมคัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคือเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะมคัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ สวิปากะสาเหตุมูลกะในจบอารมปณสภาขัในซยสี่สสอธิปฏิปัปจจัยกับอารามณปัจจัยมีเจดวาระนิจยปัจจัยละถึงมีสามวาระอุปานิชยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตปัตจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัตจจัยมีสามวาระอธิปัจัยมีสามวาระ อวิคตะปัจจัยมีสามวาระอารมณคตน า, า, า445ปัจจัยสามคืออารมณะอธิปติและอุปนิสยะมีเจ็ดวาระปัจจัยสี่คืออารมณะอุเรชาตะอถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยหคืออารมณะนิสยะอุเรชาตะวิปยุตตะอธิ และอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคืออรรมณนะอธิปติอุปนิสยาปุเรชาติอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคืออรรมณนะอธิปตินิสยะอุปนิสยะปุเรชาตะวิปยุตตาอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระอรรมณ์มูลกะในจบอธิปติสภาขณย สี่สิหเหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยละถึงมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีแปดวาระอุปนิจญาปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีเจดวาระอินทริย์ปัจจัยมีเจดวาระมรรคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตาปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระอธิปัจจัยมีแปดวาระอวิคัตตปัจจัยมีแปดวาระนิจกะคตนา๔๔๗ปัจจัยสามคืออธิปติอถิและอวิคัตะมีแปดวาระ ปัจจัยสี่คืออธิปตินิสยะอัติและอวิคตะมีแปดวาระปัจจัยห้าคืออธิปตินิสยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสี่วาระปกินนกกะตนาสี่้อยสี่สิบแปดปัจจัยสาคืออธิปติอารมนะัมมณะและอุปนิสยะมีเจ็ดวาระปัจจัยหคืออธิปติอารมนะัมมณะอุปนิสยะปุเรชาตะ อธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคืออธิปติอารามณนะนิสยะอุปนิสยะปุเรชาตะวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสหาชาตะฉันทาธิปติฆตนาสี่ร้อยสี่สิบเก้าปัจใจห้าคืออธิปติสหาชาตะนิสยะอธิและอวิคตะมีเจดวาระ ปัจจเจ็ดคืออธิปติสหชาตะอญญะมัญญะนิจยะสัมปยุตตาอัตถิและวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคืออธิปติสหชาตะนิจยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสามปัจใจหกคืออธิปติสหชาตะนิจยะวิปากะอัตถิ และอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออธิปติสหาชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะสมปยุตตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออธิปติสหาชาตะนิสยะวิปากะวิปยุตตะอาธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะ3 กิิปติขตานา4ี่หปัจจัย7คืออธิปติสหชาตะนิสยะอาหาระอินทรียะอัตถิและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอาหาระอินทรียะสัมำยุตตะอัตถิและอวิขตะมีสามวาระปัจจัย8คืออธิปติ สชาตานิจยะอาหาระอินทรียะวิปยุตตะอัติและอวิขตะมีสามวาระอวิปากะ3ปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิจยะวิปากะอาหาระอินทรียะอัติและอวิขต ะ, ะมีหนึ่งวาระปัจจัย10บคืออธิปติสหชาตะอนญยมัญญะนิจยะวิปากะ อาหารอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9้าคืออธิปติสหาชาตะนิสยะวิปากะอาหารอินทรียะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะสวิริยาธิปติคตนาศรีห้าอดปัดจจัยเจดคือ อธิปติสหาชาตะนิจยะอินทริยะมัคคะอัติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยเก้าคืออธิปติสหาชาตานญญมัญญ ะ, น, ะนิจยะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8 als, คืออธิปติสหาชาตะนิจยะอินทริยะมัคควิปยุตตะอัติ และอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสปัจจัย8คืออธิปติสหาชาตะนิจยะวิปากะอินทริยะมัคคะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจสิบคืออธิปติสหาชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะอินทริยะมัคคะสามปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเคืออธิปติสหชาตะนิจยะวิปากะอินทริยะมัคคะวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะสวิมังสาธิปติขตนา4ี่ห้าสองปัจจัย8คืออธิปติเหตุสหชาตะนิจยะอินทริยะมัคคะอธิและอวิคตะมีสีวาระ ปัจจัยสิบคืออธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะอินทริยะมัคคะซัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจเจก้าคืออธิปติเหตุสหชาตะนิจยะอินทริยะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระอวิปากะสามปัจเจก้าคืออธิปติ เหตุสหชาตะนิจยะวิปากะอินทริยะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบเอดคืออธิปติเหตุสหชาตะอัญยมัญญะนิจยะวิปากะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคืออธิปติเหตุสหชาตะนิจยะวิปากะ อินทริยะมัคคะวิปยุตตะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะสามอาธิปฏิมูลกะในจบอนันตระสภาค้าในสี่้ยห้าสิบสามสมณันตระปัจจัยกับอนันตระปัจปจัยมีเจ็ดวาระอุปาณิสยปัจจัยละถึงมีเจดวาระอาเสวนาปัจจัยมีสามวาระ <ส> <an> ขามปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอนันตรคตนา4ี่ห้าสปัจจัยาคืออนันตระสมนันตระอุปนิสัยะนัตถิและวิคตะมีเจดวาระปัจจัย6คืออนันตระสมนันตระอุปนิสัยะอสิวะนะนัตถิและวิคตะมีสามวาระ ปัจจัยหคืออนันตระสมานันตระปุปานิสยากรร ม, มะนัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระอนันตระมูลกะในจบสมานันตระสภาขา้างในสี่ร้อยห้าสิบห้าอนันตระปัจจัยกับสมานันตระปัจจัยมีเจดวาระปุปานิสยาปัจจัยและถึงมีเจดวาระ อาเศวนปัจจัยกับสมนันตะปัจจัยมีสามวาระกรร ม, มปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระสมนันตะขะตะนา4้อหาปัจจห้าคือสมนันตะอนันตะอุปาณิชยนัตถิและวิคตะมีเจดวาระปัจจัห6คือสัมนันตะ อนันตระอุปนิสยัยอาเสวณนะนัตถิและวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคือสมันตระอนันตร ะ, อ, ตระอุปนิสยัยกรรมะนัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระสมนันตระมูลกะในจบสหชาตะสภาค้างในสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดเหตุ ป, ปัจจัยกับสหชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระ อธิปฏิปัจจัยละถึงมีเจดวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิจยะปัจจัยมีเก้าวาระกรรมะปัจจัยมีเจดวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีเจดวาระอินทรียะปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคาปัจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตะปัจจัยกับสหาชาตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยละถึงมีเ้าวาระอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระสหาชาตะคตานาสี่้อยห้าสิบแปดปัจใจสี่คือสหาชาตะนิสยะอธิและอวิคัตมีเก้าวาระปัจใจห้าคือสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะอธิ และอวิคตะมีาะจจส า, ญญามวา ร, ร, ะระปัจจัยหคือสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยหคือสหชาตะนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่วาระปัจจัยหคือสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ อวิปากะหปัจจัยห้าคือสหชาตะนิจยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยหคือสหชาตะัญญะมนยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจคือสหชาตะอัญญะมนยะนิจยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัห 6. คือสหชาตะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจเจ็ดคือสหชาตอพญญมัญญะนิจยะวิปากะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะหาสหชาตะมมลกะในจบ